ความสุขความเจรินจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมกำลังนำเสนอสมัยสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการชุมนุมของเทวดาในมือนโลกธาตุณนะปามาวัน กรุงก บ, บิลพัทเกษเขตกรุงก บ, บิลพัทก็ได้กล่าวถึงคาถาที่ธนาคามีพรมสามท่านสี่ท่านได้กล่าวมาโดยลำดับก็มาถึงท่านที่สี่ซึ่งถือว่าได้มีการนำพาสิทธิ์ตรงนี้ไปขยาย โดยพระอาจารยาจารย์คือที่ท่านกล่าวเนี่ยท่านกล่าวบอกว่าชนทั้งหลายเราใด้เราหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นที่พึ่งที่รุกเติร์ชนเหล่านั้นจักไม่ไปสู่อาบายเลยขอละกายที่เป็นมนุษย์แล้วจักยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏคือไปรับประกันผลว่าทาก็าถึงจริงๆ ตายไปแล้วจะบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์นานมาแล้วได้เคยเล่าถึงมัตะกุณทลีเทพบุตรได้ลเล่าถึงนางราดเจธิดา เ, เ, เทพธิดาแล้วก็ยายแก่จันธานคนหนึ่งที่บังเกิดในสุขติโลกสวรรค์ โดยการทําจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่ถึงก็ประกาศถึงหรอกแต่ว่าจิตมันดับไปด้วยจิตที่ผ่องแผ้วจิตผ่องแผ้วที่จริงถึงอะไรก็ได้แต่ให้จิตป็นผ่องแผ้วก็บังเกิดในสุคติได้เพราะว่าจิตผ่องแผ้วเนี่ยมันมีลักษณะสา ก, กล อาจจะเกิดศรัทธาก็ได้จะเกิดเมตตาก็ได้อาจจะเกิดสติก็ได้อาจจะเกิดปัญญาก็ได้อาจะรระจะเกิดธรรมะก็อใดก็ได้แต่ว่าจิตมันป่องแพลในขณะนั้นก็มีปีติมีสุขเกิดขึ้นภายในจิตแล้วแต่จิตดับตรงนั้นมันก็บังเกิดในสุคติซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ฟังลองเทียบเคียงความคิดของเราเองเอาเช่น ว่าพรุ่งนี้วันเกิดเราก็ตั้งใจว่าจะลุกขึ้นมาหุงข้าวตักบาทเนื่องในวันเกิดจิตที่เราหลับไปครั้งแรกเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยมันหลับไปด้วยเจตนารมที่จะลุกขึ้นมาหุงข้าวตักบาทพอเราตื่นในตอนเช้ามืดเนี่ยก็จะเกิดความคิดว่าเราต้องรีบลุกขึ้นเพื่อ คองข้าตักบาตรหลังจากนั้นกระบวนการของจิตมันจะคิดอยู่ในเรื่องของการตักบาตรจนถึงตักไปแล้วผมก็คิดถึงการตักบาตรแล้วก็กรวดน้ำพระที่กุศลไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าจิตมันจะเดินอยู่ในกระแสของกุศลแม้แต่หลับก็หลับไปด้วยกุศลตื่นก็ตื่นด้วยกุศลแล้ว ก, ก็ต่อก็ต่อไปด้วยกุศลทําให้เราเห็นความแตกต่างระหว่างสุขภาพจิตของคนรุ่นปุยยะตายหญ กับคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นปุยญาตรายายนั้นสุขภาพจิตท่านจะดีเพราะอารมณ์ที่มากระทบมันไม่เคยรุงรังไม่่อยวุ่นวายจะมีลักษณะโปรงเบาสบายในแต่ละวันผลสิ่งที่ต้องยึดมั่นถือมั่นต้องวิตกกงังวลต้องเคร่งเครียดต้องเดือดร้อนเนี่ยมันน้อยทำให้ใจท่านผ่องแผ้วความคิดความอ่าน คำคมแนวคิดต่างๆเี้ยถ้าเป็นความคิดโบราณแล้วเรารู้สึกว่าสดใสนะฮะยางยกตัวอย่างเช่นในเรื่องพระภัยมณีที่สุนทรพูดได้กล่าวถึงโมวาดของฤาษีจากเกาะแก้วพิสดารกับพวกป่าโมกโลกเชิดที่มาพูดกับพวกกษัตริย์ทั้งหลาย ในเครือของพระภัยมณีที่หลังจากรบอะไรกันวุ่นวายไปหมดมันมีประโยคหนึ่งเราเห็นว่าถ้าสังคมดึงกลับมาได้นะเอาแค่สองบรรทัดน่นเดนกงประการหนึ่งซึ่งขาดพระศาสนาตัวโลกาเกิดทุกถึงยุคเห็นครั้นจะกลับดับร้อนผ่อนให้เย็น ก็ต้องเป็นหมตรีปานิชราเห็นว่าไปสอดคล้องกับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเมื่อวันที่เก้ามิถุนายนที่บอกว่าคิดทำพูดด้วยเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อบุคคลอื่นด้วยความคิดเพียงเท่านี้ เราก็สร้างสังคมสันติได้แล้วเพราะเราเห็นว่าความคิดที่จะลุกขึ้นตักบาตเนี่ยคือคิดด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสความศรัเลื่มใสมันมีความผ่องแผ้วเป็นลักษณะเพราะขณะใดที่จิตสถัาเลื่มใสมันก็มีความผ่องแผ้วเพราะถ้าคนประกาศถึงพระรัตนอไรัยด้วยจิตที่ผ่องแผ้วเนี่ยแล้วก็ตายไปก็บังเกิดในสุคติ ถึงก็หมายความว่าการถึงพระรัตนตรัยนั้นจะต้องสัมผัสคุณพระรัตนตรยัยคือต้องเห็นคุณพระรัตนตรัยภายในใจมองที่ปัญญาเห็นปัญญามองที่ความบริสุทธิ์เห็นความบริสุทธิ์มองที่เมตตากุณาเห็นเมตตากุณาแล้วก็รักษาคุณภาพจิตเหล่านี้ไว้อย่างต่อเนื่อง โลกธาตุของบุคคลก็จะแจ่มใสขึ้นไปเจ็เหตุการณ์ก้าวร้าวรุนแรงแล้วกระทบต่อประเทศชาติเป็นส่วนรวมที่มีการเคลื่อนไหวกันทางการเมืองคือเรามองแล้วเราเสียดายเราสะดดใจแล้วก็สงสารแต่เราก็ไม่โกรธว่าเสียดายคน่ะ แล้วก็เสียดายความเจริญก้าวหน้าของชาติบ้านเมืองแล้วเกิดสงสารไม่ใช่สงสารคนกลุ่มนั้นกลุ่มเดียวแต่สงสารประชาชนซึ่งควรจะอยู่ดีมีสุขพอสมควรแล้วก็ถูกบั่นทอนถูกริตรอนถูกกระจัดออกไปพลจิตเราเนี้ที่จริงเราเจริญกุศลข้อใดก็ได้นะฮะแต่ในที่นี้ท่านเน้นที่ศรัทธา ทีนี้เรื่องของพระนาคามีเนี่ยตรงนี้ไม่ให้รายละเอียดว่าท่านมาจากสุทธาวสาชั้นไหนพระสุทธาวะามันมีห้าก็เรียกว่าอาวิหาอตตปาสุทัศสีอากานิฐาก็มันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอินรียห้าเพ่ฟังลองสังเกตนะฮะว่าสุทธาวสามีห้าอินรี่ก็มีห้า ความเข้มข้นของอินทรีย์แต่และอย่างภายในใจของพระนาคามีมีความแตกต่างกันผลคนที่สตินทรีแก่กล้าก็ไปสุทาวะชั้นแรกคือวิหาวิรินทรีแก่กล้าก็ตัดปาแล้วก็สตินทรีแก่กล้าก็สุทัศษาสมิสมาทรีแก่กล้าก็สุทัศสี แล้วปัญญินสีแก่กล้า ก, ก็ไปอากณิิฐาคืออา ก, อากณิิภพซึ่งมีอายุที่ยิ่งหย่อนแตกต่างกันแต่ดำรงอยู่ในพรหมโลกนานนะฮะตอนเราเนี่ย ถ, ถ้าเราเทียบกับโลกเราปัจจุบันตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านิพพานไปต้นมาเนี่ยคงจะยังไม่ได้วันนะเพราะถ้าจะอธิบายไว้อายุนานเหลือเกิน นทตามยังไงว่าเบนี้เรามีปัญหาเรื่องสภาพต่างๆไปในสังคมแล้วไปที่ไหนก็จะมีคำถามมีการซักถามในเรื่องเหล่านี้ซึ่งในฐานะที่เป็นพระจะต้องชีน้นาความถูกต้องเนี่ยมันก็ชี้ในทางที่ถูกต้อง เราพูดเรื่องอะไรเราพูดเรื่องกฎหมายก็ออกฎหมายเป็นเกณฑ์พูดเรื่องรัฐมนูญ <ส away. S 1> ก็เอากฎหมายเอากฎหมา ย, ามายรัฐมนูลเป็นเกณฑ์พูดเรื่องศีลก็ศีลเป็นเกณฑ์พูดเรื่องธรรมะก็ธรรมะเป็นเกณฑ์พเพราะเวลาพูดในลักษณะนีนน้มันจะมีคนชอบกับคนไม่ชอบเพราะไม่ถูกใจมันเป็นการขัดแย้งกันระหว่างความถูกใจกับความถูกต้อง ความถูกต้องมันมีมากมีมาสที่เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีวันถามนั้นก็คือมาอย่างหนึง่งสมบัตกฎหมายก็เป็นมาสอีกอย่างหนึง่งคาถามว่ากฎหมายบัญญัติไปอย่างไรมันไม่ใช่เราว่ายังไงแล้วพอถึงศีลก็ศีลบัญญัติไว้อย่างไรพอถึงธรรมะก็ธรรมะบัญญัติไว้อย่างไงก็เมื่อวันที่ ยี 21. 21. 21. ่สิบเอ็ดยี่กรกฎาคมไปทำรายการโทรทัศน์ซึ่งก็ออกในย b บ9ซีเก้าก็มีการถามเรื่องปัญหาต่างมันก็คล้ายๆกับเรื่องการเมืองแต่จริงมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องเอาธรรมะเข้าไปจับแล้วอธิบายตามธรรมะ เอากฎหมายเข้าไปจับกฎหมายว่าอย่างนี้คนนี้ทําอย่างนี้ก็ถูกต้องตามกฎหมายเราก็ยอมรับว่าถูกต้องตามกฎหมาย mm. เมื่อเอากฎหมายเข้าไปจับปรกากฏเราไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายเราก็บอกไม่ถูกต้องกฎหมายว่าไม่ใช่เราว่าตรง น, นี้เราจะสื่อสารยากในสังคมเราสังเกตเรามีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นอะไรทางโทรทัศน์แล้วก็มีอะไรก็อะไร i m s อะไ ร, H, ะไรนี่ออกมา สแสดงความคิดเห็นโอ้ความคิดเห็นแตกต่างแรงมากๆและเราเห็นชัดเจนว่ามีลักษณะของแบ่งฝ่ายรบกันเองเคยใช้ความสุขใจเป็นเกณฑ์แทนที่จะใช้ความถูกต้องอันนี้คือคือคือถือว่าเป็นเรื่องแรงเพราะถ้าควรเราได้ถึงปรัตนาตรัยแล้วเราจะใช้ความถูถกต้องเป็นเกณฑ์พระเจ้าว่ายังไงอ่ะก็คืออย่างนั้นเนี่ย เราไม่ได้ตัสรสุขมันก็เหมือนกับที่เคยเล่าเรื่องธนนาธบินิกาเศรษฐีไม่ใช่ท่า น, นาท่านศรีหานเสนามบดีท่านกราทูลถามรพระพุทธเจ้าถึงอา น, นิสงส์ของทานที่บุคคลให้ดีแล้วว่ามีอานิสงส์อย่างไรบ้างตามปกติแล้วเวลาส่งแสดงอนนงานิสงส์ทานพระเจ้าจะส่งแสดงประมาณห้าข้อนะคร ในเวลาแสดงนะท่านสีหัเสนาบดีทรงแสดงหข้อคือหนึ่งผู้ให้ทานจะเป็นที่รักของผู้รับทาน 2. องกิตติคุณอันดีงามของผู้ให้ทานจะพุ่งกระจรกระจายไปสามสัตบุรุษเมื่อจะเข้าหาเมื่อจะสงเคราะห์เมื่อจะแสดงธรรมก็จะเข้าหาสงเคราะห์แสดงธรรมแก่ผู้ที่ให้ทานผู้ให้ทานจะมีความองอาจกล้าหานไม่ขั้นข้ามขังเกรงเมื่อเข้าไปในสมาคมต่างๆ ก่อนจะตายนั้นจะมีสติตายคือไม่หลงตายและตายแล้วก็จะบังเกิดในสุกติทั้งยสียเสนาบดีบอกว่า4ข้อแรกเนี่ยค้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะข้าพระองค์สัมผัสมาด้วยตัวเองหมดทั้งสี่ข้อแต่สองข้อหลังนั้นค้าพระองค์ขอเชื่อพระผู้มีประภาคเพราะพระผู้มีพักภาคต ส, สรุหรือว่า พระเจ้าโกรพยะพระเจ้ามัทราชาวันตีบุตรพูดถึงความไม่แตกต่างระหว่างวันณาสีโดยพระมหาขจายณะเป็นคนแสดงพระมหาขจายณะแสดงว่าวันณะใดก็ตามที่มีฐานะมั่งคั่งล่ำรวยวันณะเดียวกันและวันณาอื่นก็จะเข้าเป็นพวกของวัน น, นั้นเป็นลูกน้องเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ติดตามก็แล้วแต่ วันนาใดประพฤติในผิดกฎหมายของบ้านเมืองวรรณะนั้นก็จะถูกลงโทษเสมอการวันนาใดเจริญในกุศลวรรณะนั้นก็จะตายไปบังเกิดในสุคติได้กันวรนนาใดประพฤติแห่กุศลกบฏก็ตายไปสู่ทุกติได้กันวรนนาใดออกบวชดารงมั่นคงอยู่ในศีล ก็เป็นที่เคารพนักถือสักการจากศาสนิกด้วยกันแล้วเราเห็นว่าพระจันทานเนี่ยอาจจะเป็นเป็นอยู่ในวันณ้จันทานคนอยู่ในวรนนันนจันทานแต่ว่ามีฐานะบางครั้งร่ารวยอย่างประทานาธิบดีอินเดียคนปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในวันณะาอ่อนสูตรนะฮะไม่ใช่จันทานก็เป็นด้วยประทานาธิบดีก็ไม่ได้แปลกอะไร พระเจ้าโกรับปะยะบอกว่าไอ้เรื่องผิดกฎหมายแล้วก็ถูกลงโทษเนี่ยกับทาความชั่วไปตกนรกทําความดีมันเกิดในสวรรค์เนี่ยโยมได้ยินมาจากพระอราหันต์ทั้งหลายท่านกล่าวว่าอย่างนั้นไม่ใช่คือตายไปแล้วมันเกิดในสวรรค์กับเกิดนรกนะครับเทนี้อีกสองข้อเนี่ยอีกสามข้อคือหมายความว่า วันนัใดก็ตามที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยวันณะเดียวกันวันณัอื่นก็จะเข้าเป็นพวกของวันณันั้นวันนั้นใดประพฤติผิดกฎหมายก็จะได้รับการจับกลุ่มขุกขังลงโทษเสมอกันวันนั้นใดออกบวชตั้งมั่นอยู่ในศีลวันนั้นนั้นจะรับการยอมรับรละถือจากประชาชนด้วยกันเนี่ยก็เป็นความจริงที่ยมได้สัมผัสมาเห็นว่ามันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่เราเข้าไม่ถึง คนเข้าไม่ถึงเราก็ต้องเชื่อเพระการเชื่อพระพุทธเจ้าในเรื่องเหล่านี้ไม่มีอะไรเสียหายเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเรากลัวนรกเราก็ละเว้นความชั่วเมื่อเราต้องการเกิดสวรรค์เราก็ปฏิบัติความดีเราก็เห็นนรกสวรรค์กันไม่เห็นสวรรค์กันในปัจจุบันนี่นะแหละเมื่อก่อนเนี่ยมีคนเข้ามาถามว่าทำยังไงจะ สามารถพิสูจน์ความมีอยู่ของนรกสวรรค์ได้ด้วยเป็นรูปธรรมบอกว่าไอ้ไปรู้ทำเลยนี่มันพูดยากแต่ว่าคุณลองสังเกต ด, ดูว่าถ้าคุณเคยเร่วงเกินพ่อแม่มานึกถึงเมื่อไรคุณจะไม่สบายใจเมื่อนั้นนั้นก็แสดงว่าจิตมันตกนรกไปแล้วแต่คุณทำความดีงามกับพ่อแม่มา คุณนึกถึงอะไรคุณภูมิใจเมื่อ น, นั้นนั้นแสดงว่าได้รุมเลิศแล้วขึ้นสวรรค์แล้วเพราะเรื่องเหลานี้ที่จริงถ้าเราคิดนฮะว่าเราถึงพระพุทธเจ้าโดยสัมผัสปัญญาคุณบริสุทธิคุณมากนาคุณของพระองค์เป็นการถึงจริงแล้วก็จะไปตรงกันหลัก สรุปที่ะเจ้าทรงแสดงว่าธรรมและอาธรรมนั้นให้ผลไม่เสมอกันธรรมย่อมนำไปสู่สุคติอาธรรมย่อมนำไปสู่ทุ ก, กติแล้วคงแสดงอา น, นิสงส์ของกุศลทุกอย่างไม่ใช่ระดับชาญนะฮะระดับเขาเรียกว่ากุศลระดับศีลธรรมจัญญาเนี่ยเคยจะรับสั่งว่ากายสะเพดาประดม น, นาทุกติสุคติ ส ก, กังโลกังวจจิเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตจกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ก็เหมือนกันทุกแห่งบนตรงนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราเชื่อเราเชื่อในกฎของกรรมเราเชื่อในผลของกรรมเราเชื่อในการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนซึ่งเกิดขึ้นมาจากเชื่อพระพุทธเจ้าเขาเรียกตถาคตโพชิาตาเธธนี่ยเขณะนี้มันก็มั่นใจได้ ที่สำคัญอย่างยิ่งคืออนาะคตใรมีผุ่มท่านเล่าจากประสบการณ์ของท่านท่านรู้ท่านเห็นมาอย่างไงท่านก็เล่าอย่างนั้นทีนี้ประเด็นนี้ต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ทางจั ก, กรวาลวิทยานิดหน่อยแต่ก็อยากจะให้ท่านฟังลองสังเกตนะว่าหลวงพ่ตคุณบดว่าโลกวิถีแปลว่ารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน ตามความเป็นจริงโลกโดยความหมายแปลว่าลุจตีติโลกโกสิ่งใดย่อมเสื่อมสลายไปสิ่งนั้นเรียกว่าโลกเพราะสิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นโล ก, กวัตถุทั้งหลายที่เราสัมผัสในตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันล้วนแล้วแต่เป็นโลกเท่านั้นขันธ์โลกอาญตนาโลกทาตุโลกอะไรงต่างก็มันเป็นโลกเท่านั้นเนี่ยแล้วบางทีก็แยก เป็นมนุษย์โลกเทวโลกแล้วก็เป็นผุหมโลกบางทีก็เรียกว่าสัตว์โลกสังขารโลกโอกาสโลกกันแล้วแต่ละคือสรุปว่ามันสิ่งเหล่านี้มันแตกสลายทั้งนั้นเนี่ยเพราะเราแต่ละคนที่จริงก็เป็นโลกโลกหนึ่งโลกหนึ่งประวันหนึ่งเราต้องแตกสลายไปดังนั้นในเรื่องเนี้ยมันเป็นจั ก, กรวาลวิทยา บาลีเนี่ยท่านบอกว่าเทวดาในโลกธาตุได้มาประชุมกันเป็นการได้ทัศนานุตริยะคือการเห็นพระอาหารหันต์ลนล้วนนะะตัวนึกดูว่าพระอาหารหันต์ที่เป็นกษัตริย์ลนล้วนตั้งห้าร้อยหนึ่งกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมีไม่ได้หรอกโดยสถานการณ์ทั่วไปมันมีไม่ได้ เพราะมันจึงมีครั้งเดียวในพระบาลีทีกนิกายเขาเรียกประสูตรนี้ยเรียกว่ามาสมายสูตรแต่นี้มันอยู่ในสังยุตตนิกายนะฮะเขาเรียกว่าสมายสูตรคือจะเน้นเฉพาะประเด็นตรงนี้แต่ว่าในมาสมายสูตรจะมีคาถาที่เป็นองค์ธรรมอยู่ด้านหลังซึ่งในโอกาสหนึ่งก็อาจจะเอาประสูตรจากทีกนิกายมาบรรยายดูสักสองสามสูตรหนึ่ง แต่ปนสูตนี้จะยาวนะฮะจะยาวมากแต่อย่างมาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยามาบรรยายที่ตึกสวธรรมานิเวศมาตั้งแต่พศสองพันห้ารอยี่สิบเอ็ดจนเดี๋ยวนี้ยังไม่จบกำลังอยู่ที่สัมมาวยมายามะ เพราะอะไรเพราะว่าบนเส้นทางของมหาสติปัฏฐานสูตรเดี๋ยมันจะเจอธรรมะเยอะมากๆแล้วเราก็แวะไปเรื่อยเพราะว่ามันไปผูกโยงกันอยู่ก็เป็นปริยายเทศนามีช่วงหนึ่งเคยเข้าไปที่โสลถปัญหาคือปัญหามนุษย์สิบคนอุนนานเลยตนั้นประมาณสักสองปีได้ไหัหย เรบรรยายทุกวันเสาร์บรรยายกรรมฐานนี่หนึ่งเ อ, อ่อครึ่งครึ่งชั่วโมงแล้วบรรยายพระสูตรเนี่ยหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งสมาธิอีกก็รวมแล้วก็สองชั่วสองชั่วโมงเราสืบต่อกันมาตั้งแต่ปศสองพันรอยยสิบอ็ดยังเลิกไม่ได้ทั้งเสาร์ทั้งอาทิตย์เพราะว่าโยมยังมาอยู่ แต่ว่าก็ไม่ค่อยเพิ่มวันเสาร์ก็อยู่ประมาณสัก 7, เจ็ดแปดสิบไปอย่างมากเมื่อก่อนเคยขึ้นมาถึงสามร้อยแน่นมากเลยวันอาทิตย์ก็อยู่อย่างมากก็สามสิบห้าโอกาสจะขึ้นถึงสี่สิบที่ยากแต่ว่าการเป็นพระเนี่ยมันพูดยากนะคือโยมมาแค่สองคนเราก็ต้องเทศแล้วเราวิเศษอะไรไม่ได้เลย เกี่ยวันข้างวานข่าวนี่เราก็มีภารกิจอย่างอื่นซึ่งมีคนรออยู่เป็นพันๆ น, นะถ้าในกรณีนี้เราก็ต้องขอคนอื่นช่วยทิวัดเราก็ไปในที่ที่โอกาสที่เราจะพบข่าวนีหายากแต่สรุปว่ามันเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายจะต้องทำด้วยกันหมายความถ้าญาติโยมมามากเนี่ย เราก็รู้สึกคุ้มนะแต่ถ้าคนไม่กี่คนนะก็ซ้ำซากเนี่ยมันก็ฟังเป็นาศาสนาพิธีไปไม่ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงพฤติกรรมเราก็แก่ลงทุกวันแล้วผู้ควางก็แก่ลงทุกวันในีสุดก็ก็ตายกันไปคือชีวิตที่เราใช้ในแต่ละวันเนี่ยมันก็อยากให้ได้มากๆอ่ะเพราะเราจะตายแล้ว อายุข้างหน้ามันมีน้อยแล้วเพราะเวล น, นี้มาจึงชอบรายการวิทยุรายการโทรทัศน์แล้วก็ทำหนังสือเผยแพร่เพราะว่ามันปว้างขวางแล้วก็ยั่งยืนกว่าเนื่องจากเวลาเราเรามีไม่มากพอนะฮะที่จะไปไปเกาะติดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าเมื่อโยม ย, ยังมามันก็ต้องทา อันนี้คือคือหลักการของพระนี่มีข้อข้อหนึ่งที่ว่าสงเคราะห์ชาวบ้านโดยน้ําใจอันงามอย่าโยมีกุศลเจตนาอุตส่ามาจากบ้านเนี่ยเราก็ต้องหยุดตัวเองไว้ที่วัดเพื่อตอบสนอ ง, องความต้องการของโยมทีนี้อยากจะนําไปศึกษาเรื่องโลกธาตุหน่อยนะเป็นการอธิบายของพระตกถาจารย์ท่านบอกว่า คือถ้าเหล่านั้นมาเนี่ยคืออนุตรญาติเนี่ยคือคือคือเราจริงๆเราพูดเรื่องอินทรสังวรทั้งฟังลองสังเกตอินทรียสังวรที่ว่าสัมรูณวังตาหูจมูกลิ้นกาใจไม่เกิดความยินดียินร้ายในเวลาที่ตาเห็นรูปเป็นต้นเนี่ยเฉพาะในกรณีที่จิตจะยินดีกับยินร้ายสึ่งหมายความว่าจิตจะเกิดราคะจะเกิดโลภะจะเกิดโทสะจะเกิดโมหะนั้นสัมรวมไว้ แต่ถ้าเกิดอย่างอื่นอย่างในกรณีที่เทวดามาไปชุมกันเพื่อพบพระอรหันต์ห้าร้อยเนี่ยการได้เห็นพระอาหารหันต์ตั้งห้าร้อยเนี่ยเป็นทัศนานุจริยาเราจะไม่มีโอกาสได้เห็นแม้แต่องค์เดียแต่ท่านเห็นทีเดียวตั้งห้าร้อยมันก็ตำนองคล้ายๆกับเหตุการณ์วันที่เก้ามิถุนายน มันเป็นประวัติศาสตร์ของชนชาติไทยในรอบ749ปีเราไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ต่ไมยังเสียดายว่าปี49กับปี50เนี่ยปีมาหามงคลเนคนไทยน่าจะเป็นหนึ่งเดียวกันเลยเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงสบายพระไทยแต่อนนี้ก็สร้างปัญหาให้ทรงต้องแก้ไขยอยู่เรื่อยเลย แล้วก็ประรัตกายก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงอยู่ด้วยอย่างที่เราทราบกันแล้วก็บอกว่าจุงรักภักดีเลยเลยดูไม่ออกวันก่อนนี้มีคนมาถามว่าเอามาคิดว่าเมื่อพระรเจ้จกิ จ, จกาออกกำหนดวันเลือกตั้งไว้วันที่สิบห้าตุลาเนี่ยคิดว่าจะมีการเลือกตั้งไหมเอามาบอกว่าถ้าคนนี้มีความสุจริตใ จ, จจริง มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่จริงต้องเลือกตั้งเพราะนี้คือประมุขราชวงการนายกก็ออกออกออกฤรติกาไม่ได้นะฮะกฤษฎิกาในคนจะออกได้ก็คือในหลวงรัฐบาลเป็นเพียงตอบสนองผู้สนองพระมุขราชวงการเท่านั้ น, นการมองอย่างเงี้ยบางทีมันก็ยุ่งอย่างในสมัย สามสิบผ้าเนี่ยฮะที่ต่อต้านรัฐบาลสุจินดาเนี่ยอามาถามเอาวิธีเลยบกคุนต่อต้านคุณสุจินดาหรือต่อต้านพระบรมราชองค์การเพรคุณสุจินดาแค่เป็นนายกเองไม่ได้การเป็นข้องกหบฮอมนั้นเกิดขึ้นโดยพระบรมราชองค์การพระบรมราชองค์การเกิดขึ้นแล้วก็แต่งตั้งให้เขาเป็นเขาไม่เป็นไม่ได้เพราะมีพระบรมราชองค์การแล้ว นั่นคือความจงรักภักดีการเคารพกฎเกณฑ์ของบ้านเมืองเดี๋ยวคุณก็มาต่อต้านคุณต่อต้านพรบราชวงการแต่คนก็กลัวกันไม่กล้าพูดอนี้ก็เหมือนกันถ้าไม่เลือกตั้งก็คือคุมต่อต้านพรบราชวงการใครเป็นผู้ออกพรบราชวงการก็คือประวัติศาเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจสกิการนั้นเป็นพรบราชวงการ พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะบุคครจะบุคคลจะล่วงละเมิดไม่ได้การไม่เคารพดโรม ร, ราชสงการนันคือล่วงละเมิดพระราอำนาจคือไม่ต้องไปพูดอะไรมากครับเอาเจ็ดแปดมาตราข้างหน้าในรัฐธรรมนูญเนี่ ย, เ, ยเอามาคุยกั น, นแล้วเราก็จะเห็นว่าเราสับสนอะไรอยู่เยอะเลย คือมันไม่ต้องมีพลความอะไรมากแต่เราจับหลักได้แล้วเนี่ยไม่มีพลความมากเยนที่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่รับสั่งมาที่9ก้านะที่ว่าคิดทำพูดเนี่ยอย่าลืมสำคัญนะฮะมันเป็นมโนสุจริตก่อนมโนต้องสุจริตก่อนแล้วก็เปล่งวาจาออกมาเป็นสุจริตทำทางกายออกมาเป็นสุจริตยันกันเลย วาจาเช่นเดียวกับน้ําใจการกระทําเช่นเดียวกับน้ําใจน้ําใจเช่นเดียวกับการทําการพูดไม่ใช่มายาเสแสร้งโอ้อวดแข็งดีหลอกลวงปลอมแปลงไม่ใช่อย่างนั้นพระธรรมเนี่ยจริงๆถ้าเราจับสักข้อนะจับสักข้อให้ได้เดีย๋ยวดีก็ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังก็บ่อยนะพราบเราเจอบ่อยคือโลกมันมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเท่านั้นเองมันไม่มีอะไร กับสิ่งมีชีวิตเรามองเขาด้วยความเป็นมิตรคือเมตตาสิ่งที่ไม่มีชีวิตเรามองด้วยการเคารพสิทธิของเจ้าของเขาพระสิงเหล่านั้นคือทรัพย์ทรัพย์แต่ก็มีสองอย่างคือของแผ่นดินหรือของเอกชนท่านนั่นเองของเราก็ของเอกชนของบริษัทก็ของเอกชนอยงหนึ่งก็คือเป็นของรัฐ เพราะฉะนนคนนี่ยเราขจัดโทสะได้ทราบเสี่ยเราขจัดโลภะได้ทีนี้ขจัดโทสะได้เนี่ยมันก็แสดงว่าขจัดโมหะลงไปได้มันก็ไม่เกิดปัญหาแม้แต่เรื่องเพศเพราะอะไรเพราะว่าคนหลนั้นคือคนเนี่ยเมื่อเราเมตตาต่อคนแล้วจะไปล่วงละเมิดทางเพศได้ไงเพราะัจับเมตตาให้ได้จับไปเป็นหลัก หนังสือเทมาได้เปลี่ยงเนี่ยก็ตั้งใจจะให้ชื่อว่าเสริมสร้างสู่สุขสันต์หรือสร้างเสริมสู่สุขสันต์เป็นหลักการที่เราเชื่อเห็นว่าการบริหารการจัดการองค์กรทั้งหลายเนี่ยจริงๆคุณจับธรรมะอะไรก็ได้คุณอดใจสิกขาบริหารยังได้ สติขามันครอบจั ก, กรวาล น, นะพฤติกรรมบวกทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ในสถิติขาทั้งหมดแต่เราก็ยึดติดในรูปแบบอะไรกันมากเกิดไปก็ทําใหา้ถูกเฉียงกันเยอะทีนี้ก็กลับมาดูตรงนี้เราจะเห็นว่าก็เห็นเนี่เป็นทัศนาศนแต่ปกฟังเนี่ยก็เป็นสวรรคนุตตรยะพอปฏิบัติบำรุงก็เป็นปริจาริกานุสตยิยะเพราะนันมันเป็นอนุตรตรญาทั้งเยอะ ก็เห็นเหมือนกันฟังเหมือนกันแต่วันสิ่งที่ดีมันเป็นมงคลมันก็เป็นอนุตรุยะไม่ใช่เป็นทางมาของกิเลสแต่มันเพิ่มปัญญาเพิ่มความมีสุดเพิ่มความเมตตากรุณาเพิ่มศรัทธาเพิ่มประสาทธะความเลื่อมใสแล้วก็ท่านบอกว่าพวกที่ไม่มามีแต่อันสัญญาสัตตกับป ร, รูปภพเท่านั้น อซันยญญีสตานั้นเป็นพรมลูกฟักมันมาไม่ได้แล้วรูปประพรมเนี่ยเขาเป็นนามนะฮะเขาเป็นนามมา ร, รมเขามีเฉพาะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือจิตนั่นเองอะ่ะแล้วก็ไม่ได้มาหรอกพวกนี้จะอยู่ค้างเติมอยู่นานนะฮะพวกนี้แล้วก็ท่านก็บอกว่าทัชาชใชคคำบรีว่าดะสะสงัะสะจักรวาลัง ที่อิทะโลกธาตุโยอธิปเปตังแท้จริงหมืนจั ก, กรวาลเนี่ยท่านประสงค์เอาว่าสิบโลกธาตุแล้วเราลองสังเกตหมื่นจั ก, กรวาลนะฮะเพราะว่าท่าอนอธิบายว่าจั ก, กรวาลแต่และจั ก, กรวาลเนี่ยมันมีพระอาทิตย์เป็นเซ็นเตอร์คืออยู่ตรงกลางพระอาทิตย์หนึ่งดวงก็มีสดวงก็มีสามดวงก็มีสี่ดวงก็มีห้ดวงก็มีหดวงก็มีเจ็ดวงก็มีแล้วก็ขยายจั ก, กรดารากาออกไปโอ้ยมหาศาลมาก ไม่มีตัวเลขพูดอะแล้วลพวกนี้มันรู้เห็นในที่ประจักษ์สุล้องดวงดูดาวในยังสองไม่ถึงแล้วฮะเพราะจั ก, กรวาลมันไม่มีขอบมันหาที่สิ้นสุดไม่ ไ, มได้เรีย ก, กนันตะคือหาที่สิ้นสุดไม่ได้เพราะราลองนึกดูว่าเทวดามาประชุมยังไงปาหมาหวันก็บอกว่าด้วยการนิรมิตกายเนี่ย แม้แต่ดอกไม้ดอกเดียวในเทวดาอยู่ได้เป็นหมื่นๆนะฮะเราก็ต้องเชื่อนะฮะเพราะเรายังไม่เห็นแต่ว่าท่านที่มีประสบการณ์เหล่านี้ท่านๆเคยพบเห็นมาถ้าก็เล่าให้ฟังผมจะมวลมหาศาลมากเลยร่างกายจริงเขาเรียกอาทิตย์สมานกายคือกายที่ไม่ปรากฏแกตาเนื้อแล้วก็ โดยจะเห็นว่าก็เข้าสูตรว่าสิบจั ก, กรวาลเนี่ยเป็นหนึ่งโลกธาตุเพราะฉนไอ้สิบโลกธาตุเนี่ยก็หมายความมาร้อยจั ก, กรวาลโอ้เยอะเลยจีเนี่ยต้องว่าเทวดาที่มาประชุมกันนั้นอัดกันแน่นเหมือนกับเข็มที่อัดแน่นอยู่ในกรองเข็มจนจะหลดพร่มโลกแต่ว่าเทวดาเนี่ยมันหมายความว่าวัตถุมันแทรกกันไปได้นะ ท่านเป็นอนุทิศมานกายเป็นลักษณะเรืองแสงคนที่มีประสบการณ์เรื่องนี้เคยเพกไปเห็นเรื่องนี้ว่าบางจมพวกเนี่ยมันก็มีแสงเรื่อๆอย่างใกลๆ้ๆกับแสงนีออนแต่มันก็อ่อนกว่านะฮะเดี๋ยเวลาท่านต้องการให้เกิดสว่างก็สว่างนะฮะทําพระเชตวันทั้งสิ้นในสว่างโดยรัศมีของกตนมาองค์เดียวนะก็แสดงสว่างไม่เบาเหมือนกัน แล้วก็พรหมโลกนั้นห่างไกลจากโลกมนุษย์มากันนี้ก็ที่บายไว้นะฮะท่านบอกว่าสมมติว่าจะทิ้งภูเขาสักลูกหนึ่งลงมาตรงๆนะฮะพูดลงมาตรงๆไ่ได้พูดถึงสุญญากาศภูเขาลูกเนี้ยจะใช้เวลาเดินทางจากพรหมโลกมาสู่โลกมนุษย์เนี่ยใช้เวลาสี่เดือนดิ่งลงมาเลยนะฮะดิ่งลงมาเลย เวลาสีเดือนแต่อย่าคิดว่ามันลอยอยู่สุญญากาศนะท่านอุปมาเหมือนก็โยนลงมาภูเขาเท่ากับเรือนยอดขนาดใหญ่ก้อนหินนะเท่ากับเรือนยอดขนาดใหญท่านบอกว่าจักรวาลนั้นมีมากจนไม่อาจนับได้พระพุทธศาสนาเมื่อกล่าวถึงจักรวาลเนี่ยจึงไม่มีคำไม่มีตัวเลขที่จะไปนับ จะเรียกคำาแสนกฎจั ก, กรวาลอนันตาจาั ก, กรวาลอสงไขยจั ก, กรวาลตอนเนี้ยที่บอกไว้ในวันก่อนว่าดเรดักราสเอมเบิลซึ่งเป็นนัก ร, าราศาสตร์ก็เขียนไว้ในเรื่องพูทธนากะวิทยาศาสตร์โดยเน้นเนี้ยเน้น อ, อคัญยสูตรเนี้ยเป็นหลักแล้วก็เกี่ยวกับจั ก, กรวาลอยู่เยอะนะฮะอยู่ในแถวสังยุตติกายก็มีพัชยุตติกายก็มีก็อธิบายอ่ะ อันนี้คือวิชาการทางจักรวาลวิทยาก็อธิบายว่าสุริยะจักรวาลของเรานี่เป็นเพียงระบบสุริยะจักรวาลหนึ่งในบรรดาสุริยะจักรวาลจํานวนพอจํานวนได้นับจ้ากกันะฮะเป็นเลขศูนย์สิบสองตัวกับเลขหนึ่งก็ไม่รู้นับตงไงก็ก็คงจะแสนโกดจักรวาลน่ะนะ ซึ่งทั้งหมดรวมกันอยู่เป็นกระจุกคล้ายๆกับวงจานขนาดใหญ่เรียกว่าจักรรลากาถ้าที่สุดพบในปัจจุบันเพราะว่ายังมีจักรรากาอื่นอีกอย่างน้อยก็เป็นเลขศูนย์เท่าไหร่ละ3า9หเกนะฮะเกตัวกเลหนึ่งแล้วก็หรือหรืออาจจะถึงนี่เป็นเลขศูนย์เท่าไหร่สามสมส สามสี่สิบสองสามห้าิบห้านะก็เป็นเลขศูนย์สิบสี่ตัวกับเลขหนึ่งหนึ่งตัวรวมแล้วก็เป็นสิบห้าตัวก็ก็ไม่รู้อะไรอ่ะนี่คือเรื่องที่เราไม่รู้อีกเยอะมากเรารู้จริงนิดเดียวแล้วก็จากดจากกาดารากามีดาวฤกษ์ตั้งแต่สองถึงสามล้านเนียถึงสองพัน ไม่ใช่สองพันสองแสนล้านล้านนะก็ไม่รู้เครื่องมืออะไรมานับเหมือนกันและที่ที่ ท, ท, ที่ที่น่าคิดก็คือท่านอธิบายว่าจาักรกราร า, รารที่เราอยู่นี้มีกลุ่มดาวดังกล่าวนั้นประมาณร้อยกลุ่มและเป็นเพียงกลุ่มหนึ่งในบรรดากลุ่มต่างๆอย่างน้อยส8บกลุ่มบางกลุ่มที่อาจมองเห็นได้เช่นกลุ่มเมกเวโกและกลุ่มโคมา มีจักรดาร า, าไม่น้อยกว่าพันดารากาขึ้นไปในข้อนี้พระเจ้าทรงแสดงไว้ในอังคุตรนิกายก็ข้อความก็สอดคล้องกันนะรับสั่งว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรไปในอากาสองแสงให้แก่กลุ่มโลกอื่นๆ อ, อีกนับเป็นจำนวนพันพันในกลุ่มโลกหนึ่งกลุ่มโลกหนึ่งนั้นก็มีดวงอาทิตย์เป็นจำนวนพันัน ดวงจันทร์เป็นจํานวนพันๆคือคําว่าพันๆเนี่ยมันก็นับไม่ได้เพราะว่าเปย์ยานเยอะเลยแล้วก็ทรงแสดงว่าถ้ า, จากจักรวาลไม่ได้เป็นที่ของที่อยู่นิ่งๆแต่มีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงสุดโสงไปและต้องแตกเหลกแตกดับไปในที่สุดทรงแสดงความแตกดับของโลกวัยในสัญญุตินิกายว่า ครั้นแล้ววันหนึ่งหมาสมุทจะเกิดแห้งสูญหายไปเลยในสมัยนั้นโลกอันใหญ่โตของเราก็จะถึงการดับสูญโดยถูกกลืนเข้าไปในกองไฟที่ทางวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าโอกาสหนึ่งนพระาทิตย์จะขยายออกไปไม่รู้สักกี่เท่าตัวแลยจะดูดผู้ดวงดาวเข้าไปแล้วก็ย่อยสลายแล้วก็เข้าสู่วิวัฒนาการใหม่อันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นการ ต้องการให้ท่านท่านผู้ฟังคือถ้าต้องการรายละเอียดก็คงไปดูนะเพราะว่าต้องไปอ่านหนังสือเรื่องเกี่ยวกับจั ก, กรวาลวิทยานักวิทยาศาสตร์เชื่อนะฮะเล่าว่าดวงอาทิตย์จะคงค่อยๆส่องแสงยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกทีเป็นเวลาประมาณห้าล้านล้านปีนะคือไม่ต้องไปยุ่ ม, มหรอกห้าพันล้านล้านปี อุภูมิจะค่อยสูงขึ้นสูงขึ้นในสุดปรายที่จะขยายตัวเองออกไปเป็นสองถึงสามร้อยเท่าถึงก็มหมายความมาถึงข่าวนั้นก็จะดูดสิ่งทั้งหลายเข้าไปแล้วก็แหลกสลายหมดเลยนี่ก็คือเป็นการแสดงให้เห็นว่าสังขารที่เที่ยงมันไม่มีแม้แต่จั ก, กรวาลเป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนะี่ก็ยังถึงการที่จะต้องแตกดับไปในที่น ในเรื่องเหล่านี้แม้แต่โลกเราเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงความพินาศของโลกอาจจะเกิดขึ้นเพราะน้ำเพราะลมเพราะไฟสามอย่างนะแล้วเพราะการทะเลาะกันเพราะเราเอานิยายนี่ไม่ได้โลกปัจจุบันหึมหึมนจะเล่นปรามนูระหว่างอิรานกับเกาหลีเหนือจะทดลองปรามนู แล้วถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันมันเอาอะไรกันไม่อยู่เนี่ยโลกมันก็อาจจะถึงการแตกดับได้แต่เราเห็นชัดเจนเนะว่าเรนี่มีการนิ้ตกังวลกันเรื่องน้ําแข็งขั้วโลกละลายแล้วก็แตกระเบิดออกมาเป็นภูเขาน้ําแข็งแล้วก็เดินทางวันหนึ่งเป็นกิโลกิโลเลยแต่ถ้าวันหนึ่งก็ละลายขึ้นมาเนี่ยก็ก็เป็นเรื่องที่น่านดู มันก็เราลองนึกดูคล้ายๆกับนนะ้ํามันเจิงนองไงนะฮะเจิงนองไปเรื่อยๆเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆมันก็ยุ่งกันใหญ่เลยนี่เป็นเป็นเรื่องที่นอกออกไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องการให้ท่านผู้ฟังนึกถึงพระพุทธคุณบทว่าโลกวิถแต่ตามปกติแล้วพระพุทธคุณบทนี้เราไม่ค่อยอธิบายกันเท่าไหร่เพราะว่ากรอบมันใหญ่มากกรอบโลกวิถีมันจะใหญ่มาก แล้วก็จอดลึกลงไปจนเข้าสู่วิปัสนากรรมฐานเพราะใดเพราะว่าอารมณ์ของวิปัสนากรรมฐานทั้งหมดเนี่ยขานญาตนาสิบสองธาตุสิแปดอินทรีย์ยี่ิบสองริยสัจสี่ที่จริงคือคื อ, คอโลกในความหมายของคําโลกเนี่ยเป็นสังขารโลกบ้างเป็นโอกาสโลกบ้างเป็นอยู่ในสัตวโลกบางก็แล้วแต่แต่เราไม่แยกแเช่นขันห้าเนี่ยเราไม่แยกมันก็เป็นสัตว์ พอแยกมันก็เป็นรูเปเวทนาทัญญาต่างขันวิญญาณเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างเนี่ยรวมกันก็เป็นอารมณ์กรรมฐานแยกออกไปก็เป็นอารมณ์กรรมฐานแตยานตนาทิศสองก็เหมือนกันนะฮะแต่ละอนานตนะมันก็เป็นโลกแต่ละโลกแล้วก็รวมกันแล้วก็คือชีวิตเราก็แล้วแต่จะแยกตรงไหนขึ้นมาพินิษพิจารณากันศึกษากันทำความเข้าใจกันนั้นก็คือสิ่งที่ เป็นเหการเกิดขึ้นในยุคสมัยพุทธกาลที่ที่ประการสำคัญก็คือว่าเวลาพระหานท่านบรรลุมรรคผลเป็นพระหันนี่จิตจะเปี่ยมล้นด้วยการุณาจะอยู่เพื่อคนอื่นผลพระหันทั้งหลายนี่ท่านจะไม่ค้องในอารมณ์อะไรเลยเหมือนลมนะไม่ค้องติดในอะไรเลยไปเรื่อย เพราะงั้นท่านจึงเป็นผู้อนุเคราะห์โลกโดยไม่ต้องการคำตอบว่าโลกจะให้อะไรแต่ว่าท่านจะให้อะไรแก่โลกโลกจะให้ก็อย่างมากก็แค่ปัจจัยสีท่านก็ฉันพออิมปัจจัยสีก็ท่าที่จะเป็นแก่การดรบรงชีวิตซึ่งก็นิดหน่อยนะสมบปาราห เพราะท่านชั้นอาหารด้วยกายนะเป็นความต้องการของร่างกายที่อยู่ก็เป็นความต้องการของร่างกายแต่เราที่บ้านหรูๆอะไรรูๆเนี่ยเพราะว่าเราบริโภคปัจจัยสีด้วยตัณหานั่นเองเท้าฟังทนายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ข้อความเจริญงอกงามไปบูรณในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี